Book 2 63 6สสามเซชเการตั้งคาถามสองอุสตูอั a ยาอ u าโยมดวิดิฉันมีงานอดิเรกมันอิร b บิ ดิฉันเล่นเทนนิสเอส p ล่นยุเทนนิสสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะคุ r ์ติร n i s นนสลคุมสคุณมีงานอดิเรกไหมไบเทฟอิร์ฮบบิดิฉันเล่นฟุตบอลเอ s p ล่นยฟุตบอล สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะคูริการฟุตบอลลากมสดิฉันเจ็บแขนมันสาปรักดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยมันสาปอาริคายอุนรักมีคุณหมออยู่ไหมคะอ ดิฉันมีรถมันอิรมาชีนะดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วยมันอิรอาริโมอเตอร์ไซคส์สดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะกูร์อิรอัลโตสตาร์เวีต้ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์มันอิรเจมเปริส ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยมันอิรอริยักกะอุ่นจินสิเครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะคุรอิรเวยสมาสกายามาชีนาดิฉันมีจานมันอิรชีวิสดิฉันมีมีดซ่อมและช้อน Man อ r n น z ซิสด k š i ช a un k อ r ค t e ั r เต l เกลือและพริกไทย k ยู่ไหนคะครูอ p รซาสอพิปริ